คอฟเรดิโอฟอร์เมนโดยวิทยาแสงอรุณพี่สวัสดีอ๋อ Bangkok Radio For Men นะครับอัน นอนไม่หลับเออไม่วิทยาดีไม่เป็นวิทยานไปเลยไม่ 4 square โอ้โห 4 square นะอ่ะอ๋อไม่ไม่ อืมใช่นะโอ้คุณคะตื่น 6:00 น. เช้ามาเก็บค่ะไม่ เซ็กซี่เหรอพูด นะ? 12 นะครับมิถุนายนนะครับปี 2554 นะภาพเซ็กซี่คุณโอ้โหคุณแอททิจูดจะแกงผ้า 3 25 นะครับ อ่ะก็คักหาอยู่เห็นวันแพ็คของน้องหมาก ครับ iPad ครับโดยที่ลงเออไม่ใช่เออ iPad เถอะ iPad ให้ให้คุณผู้คุณผู้ฟังคุณใช่ต้องเดี๋ยวให้ อืมก็แก้หากินหลายเล่มนั้นมันอ้าวแต่มันเล่มอื่นอันนี้มาเล่มนี้บ้างเถอะนะเพราะเล่มนี้ เขาใส่แล้วเขาไปรีทัศน์ออกหรือเปล่าเขาบอกป่าวเขาเปลือย อยู่คนเดียวเจจะขอเป็นแจมตัวเสริม เพื่อนสนิทที่เม็กโซยูซุมว่ามีคนเออคุณเชื่อหรือเปล่าหรือว่าคุณเชื่อสนิท 023383589-90 นะ อืมเท่ากันประมาณเลยนะตอนนี้ใครที่ออนอยู่แล้วก็ทัก i radio อยู่ตอนนี้ครับก็มี ได้ฟังอยู่แล้วฟังชัดเจนยังไงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วโอเคมีคนเห็นแล้วเหรอครับ ครับอ่ามาเลยครับๆใช่มั้ยเนี่ยใช่ครับเอ่อเอ่อดูอ่าพวกเราก็ดูกันไปก่อนมาๆเท่เท่ดูดูดู เดี๋ยวไปโทรให้ให้อย่าแล้วอืมครับกระดุดีมากคิ้วเข้มครับอ่ะ ประเด็นมันมีอะไรครับเออพี่วิทยาอะไรนะเอาส่งไปแล้วนะที่ BB น้องฮาร์ฟอ่ะครับ เขาแล้วเสียงขาดอ่ะน้องเออเอามือถือใกล้ๆปากอืมตอนแรกก็ไม่รู้ครับเราเพิ่ง แล้วแต่ต้องแต่ที่พาอืมแล้วใช้เพื่อนคนเดียวกันที่เรา แอบปื้มอืมครับแล้วอีกอ่าที่ที่เป็นอืมอ่าแล้ว อืมแล้วเค้าก็เหมือนเหมือนเท่าเยอะนะเยอะๆดอกไม้นี่ก็เยอะละแต่ ส่งข้อความหวานๆให้กันแต่ข้อความนั้นฮาร์ฟก็เห็นนะอะไร ปล่อยเป็นส่วนตัวอยู่แล้วไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายคล้องเกี่ยวกันอยู่อ่าคือฮาร์ทก็คือโทรถามให้ ถ้าเกิดมันเค้าจะไปครับไปอ่ะพี่อ๋อเดี๋ยวๆฮะเค้าเล่นฟิตเนสเนี่ยฟิตเนสที่ไหนเค้าเล่น ตาว่าได้ครับบอกทิ้งจากนี่เอออ่ะโอเคพูดจริงอ่ะจริงป่ะอันนี้กําลังคิดอยู่แล้วแล้วต้องถาม จะเป็นกลุ่มนี้อยู่แล้วใช่ครับเค้าๆ ใช้มือเลยไม่ได้แค่ใส่ตาสิก็นะใน ขายเกี่ยวกับเออครับอือๆๆเค้าก็นิดเออก็แล้ว แฟนเราคนนี้เนี่ยเนื้อหอมก็น่าอยู่ก็ดูแชท เขาโอเคเออคือบางทีเค้าอาจใช่อ่าเพื่อแบบว่าพอมันมีเราแล้วใช่ป่ะอะไรอืมเออเออครับแล้วอืมแต่ๆนะปิ้นว่าเป็น แต่เราจะอ่ะอยู่กับเราอ่ะอืมมันอยู่ที่ใช่ใช่มันอยู่ หนักแน่นพอมั้ยเราจะกด แต่จําไม่น่ารักเออมันไม่เนี่ยแฟนเราอยู่กับเราเนี่ยต้องคือคติอันเนี้ยแน่นอนแล้วแล้วคือ เค้าก็มีทํา คือเหมือนกับคือว่าอ่านั่นคือคือมาแล้วกุหลาบสีขาวดอก คือวันๆๆมันมีวันนึงเค้านี่ที่พี่เค้าขับรถมารับครับไปถ่าย คือต้องหาว่าแบบพี่มันมันยังไงกันแลเออครับอืมเออเค้าก็เออแล้วจบจบมั้ยจบมั้ยจบ ถ้าแบบเราไม่บอกอะไรเขาเลยเงี้ยมันเหมือนกับให้เขาหมักเออครับคือแบบเออถ้าแต่แบบเค้ายังเค้า เออโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะบอกเค้าว่าละเค้าอ่าคือจะได้เออแล้ว กระทบนะแต่ที่เค้ามาเคลียร์คับนะพี่ผู้หญิงคนเค้ามาเคลียร์คับนะหมายคือ โอเคในเมื่อในเมื่อพี่เค้าเลือกเราแล้วอย่างอืมทําไมมันทําหน้าที่ คิดทบทวนเรื่องที่ที่เคยอย่างเงี้ยเออเขาจะว่าครับครับก็ลองสิก็ทําทําดีอืมพี่คิด ไม่คิดเค้าที่เอออ่าท่านก็บอกว่าเออคืออ่ะมันอาจจะ <อะไร>เขาเข้าไปแล้วเออเข้าคิดว่าฮาร์ฟมาดูเออเขาว่าเออโอเคงั้นปิ้น ฮาฟนั่งคุยกันอยู่ข้างคือรวม<อ> 5 ผม, <อ> 3 โอเคว่าเออ เออก็บอกเลยทันทีทันใดถือว่าครับครับครับถ้ากระเจ้าอืม อ่ะเดี๋ยวโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเนาะขอให้เป็นอย่างนี้เออใช่ตอนนี้ ไปซะไม่หมายบอกด้วยหาเออ นับวันที่เธอทิ้งคุณนั้นวันที่เธอ لی راه ครับ Radio Formen โดยวิทยา 2 Bangkok Radio Formen เออมาปิกกี้อ๋อไม่ คัตทีก็ไปร้องแหละสำหรับไม่ๆ ตราบนั้น Lady Gaga คือ Born This Way นะอ๋ออ่ะมาเลยดีดีครับครับก็มีมีใช่เนี่ยจะ Gay Parade นะครับก็เธอ Gay Parade เนี่ยก็ที่โรมที่โรมเนี่ยเค้าก็ ท่านผู้นําประเทศก็ไม่ค่อยชอบก็ไม่เอออ๋อ ทองเธอเนี่ยชุดนึงเกิดทางนี้ มีเชื้ออ๋อไม่กล้าแล้วๆชื่อ<ใช> อ่าสเตฟานีจิโอวาน่าแองเจลิน่าเจมานัตต้าอ๋อยาวทางเมามสเตอร์แคนติ้งนะใครแล้วนี่ มั้ยก็จะเลเจนด์เล่นพาสเตฟก็ได้อ๋อเนี่ยน้องเพราะว่า how gay of โอเค เหตุการณ์ข้าตัวตายทําให้เกลียดตัวเองทําให้รู้สึก ปกติก็ไปครับเออท่านท่านทูตมา ขำน้อยที่สุดแบบไม่ๆพอเมื่อเออหรือเออเช็คทั่วไปเช็คอ่าคําตอบคือ คำตอบเยอรมันคำ 30,000 คน 30,000 ครับๆคนจากของครับ ไม่รู้แล้วอเมริกา 3 ส่วน 7 ใน 15 สัญชาติเค้าบอกว่าคนอังกฤษ ก็เล่นเอาผู้ดีบางคนแทบมองไม่อยากเชื่ออเมริกัน ครับทั้งทั้งในเอเชียว่าเฉพาะเนี่ยเออถูกก็เอ่อ นิวยอร์กนะครับการท่องเที่ยวแห่ง เป็นเป็น 15 ล้านคน 6-7% เลยถึง 10 ครั้งต่อปีต่อปีนะครับ เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงอ่ะต้องการที่ 45 ปีเนี่ยขึ้นไป อ่าต้อนรับทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะ เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีก่อนปีคือคือเออใช่ก็แบบๆจริงๆ สวัสดีครับครับจ๊ะหยีไข่เอ่ยโอ้ก็ว่า หน้าจอไม่ขึ้นอีกแล้วจอไม่ขึ้นอีกแล้วโอ้ยจะต้องรอเบรก 3 อ่ะครับโหอีก 3 อาทิตย์หน้า รอรอแป๊บเสียงมัน MSM คุยด้วยเสียงของตัว 3 เบรก 4 เดี๋ยว Attitude มาเปิดกันใหม่เดี๋ยวอ๋อแจ้งความของหายอ๋อถูกนะครับ โอเคแล้วได้อย่าเชิญนะคุณโปคุณโปโทรครับเพื่อนสนิทจริงๆที่เคยเจอก็ไม่อ่าก็นานแล้วนะๆคือ แต่คนนี้เป็นแฟนเพื่อนผู้ชายคนนี้แฟนเพื่อนอ๋อแล้วอยู่ก่อน ซึ่งเรารู้เราก็รู้อยู่แล้วอ่ะเค้าเป็นแฟนเราเพราะว่าใช่เพราะว่าเพื่อนเออไม่ อ๋อไม่ใช่อืมแสดงว่ามันเริ่มก็ในกลุ่มก็ใน แต่ว่าคุณตรงไม่เคยพูดกับผู้ชายคนนี้ตรงๆว่าเธอ last สุดท้ายก็คือเราก็เล่นเกมแบบคือไล่พยายามไล่ ผู้แกเลยตัดใจเลิกไปเลยก็เลิกก็เลิกนานมั้ยก็เลิก คุณคาร์ทถ้าฉากนั้นต้องเอาเหมือนจะครับอันเออไปเออตั๋วเพื่อนที่เป็นแฟนเขาเอออ่าเสร็จทีนี้เนี่ยก็ เขาก็พยายามแบบว่าเออก็เหมือนกับเค้าปีกตัวมาหาทางโอเคอ่าแล้วยังไง อยู่กัน 2 คนเนี่ยก็คําอืมครับก็เลยอืมเทคโนโลยีอืมแต่ คุณครับมันอ๋อไม่ก็จริงๆ ตอนช่วงเนี้ยที่เค้าเริ่มมาคุกด้วยแล้วเนี่ยอืมก็มีแว๊บๆเหมือน อบเลยอ๋อโอ้อ่าอบเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วปากเค้ายื่นยื้อมาแบบจะจุ๊บๆๆๆ อ่าคุณปอเออไม่อ่ะถูกมั้ยนะเออหรือว่ากะกะอากาศจมูกหรืออืมหรือว่าเขา เมโดลิตัสเขาเข้ารู้ป่ะว่าได้ 1 1 1 ได้แล้วมีแฟนใหม่ ผู้ชายคนนี้เป็นสเปคคุณเปาอย่างเงี้ยแล้วแบบเค้ามาขอแบบเป็น เช็คของอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าอาทิตย์นี้ก็อ่าถ้าเกิดเค้าขอมาแบบนี้เพราะเป็นต่าง น่าจะอายอืมแต่ถ้าจะมาแบบทําของกัน เอาไม่ใช่มันเป็นเพื่อนน่ะจริงๆนะมัน โอเคครับอย่ามาคุยกันฟิตเลยสวัสดีสวัสดี คุณอะไรเอ่ยโอปอไงโอปอเหรออ๋อโอปอตอนนี้อยู่กรุงเทพฯหรืออยู่จังหวัดใดภูเก็ตอ๋อกลับจากนครศรีธรรมราชกลับมาภูเก็ตครับวันนี้ ไม่เป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยจริงๆอุ๊ยเดี๋ยว ก็ได้ไม่ไม่ใช่ก็ต้องมีน้องที่ทํางาน เออเอออ่ะถูกถูกถูกถูกอ้าวคนอ้าวคุณ ก็ใช่ไงก็รอให้เลิกกันก่อนไม่ใช่ ปิดไมค์ติดมือกับบ้างก็ก็ไม่มีอ่ะครับไม่มีไม่มีแต่เออ ตอนแรกพ่อก็บอกว่าเพื่อนก็บอก ก็น่ารักดีกว่าอะไรประมาณนี้แหละ เราก็ดูก็ธรรมดาอะไรประมาณนี้ไงก็คือเหมือนกับว่าหลัง ปอก็เลยบอกว่าจะยังไงคือจะยังไงคือปอก็รู้สึกแบบว่าก็น้องเค้าก็เออแล้วปรากฏ ไม่แต่เราแต่เรานู่นๆไงแต่เราก็คือเราก็ ผมเพื่อนมันหมอเพื่อนมันพะละให้คือ คือก็จบแล้วเราก็เราก็ถอยให้เพื่อนอยู่ ไม่มีอย่างใหม่เออไม่ซื้อนะครับอย่างใหม่แต่ว่าเราก็ไม่เฮ้ยทีหลังมีอะไรก็บอกคือเราเราเฮ้ยอย่ามันเดี๋ยวเพื่อน เขาก็บอกว่าก็เอ่อเขาก็บอกว่ามันก็น้อยใจมันไม่มีอะไรไงคือเขาบอกว่า คือก็แล้วแต่ก็คือเราคุยกัน คนจังหวัดเดียวกันคุยกันภาษาเดียวกันถึงทุกท้วนอย่างงี้เรา ก็คิดว่าน้องเขาคงยังๆอย่างเงี้ยมันจะเริ่ม มัน กลับบ้านได้ต่างสงสัยว่าปอชอบน้องเขาแล้วปรากฏว่าน้อง ไม่ๆๆๆก็เห็นเค้าเป็นอย่างงี้ทุกๆคนก็ มีโลกสูงเขาอยุธยาเนี่ยใส่กระเป๋า 27 แล้วใช่ 27 28 อะไร 21 2 คือที่บ้านเค้าอ่ะโอเคอ่ะขอบคุณมากครับปอครับใจเงี้ยครับ จริงๆมันทําให้มันอายุ 27 แล้วมันต้องผ่าน 30 เนี่ยอัน ยากที่จะจะเป้าหมายก็คงจะเออโอน่าเห็นครับก็